จิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะเนี่ยเฝ้ารูเฝ้าดูให้มากไปถ้าฟังอย่างนี้ยากนะเอาง่ายๆก็ได้เอาวันเดียวก็พอนะดูเวทนาก็ได้คอยตามรู้เวทนาที่เกิดขึ้นเรื่อยเรื่อเรียกวเวทนานุปัสสีอนุปัสสนะีคือตามรู้เนื่องๆซึ่งเวทนาความสุข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 มจะคลายความยึดถือเอาเรียกว่าวิราคานุปัสสีถนะคลายเต็มที่มันสลัดคืนไปเรียกปฏิสักคานุปัสสนะีมีคำว่าอนุปัสสีต่อท้ายนะแล้ตามเห็นทำไมต้องตามเห็นเพรานำ ม, มาทำต้องตามเห็นนะไม่เหมือนรูปธรรมรูปธรรมนรู้ลงปัจจุบันไปเลยรู้ลงปัจจุบันนะแต่ความจริงคำว่าตามรู้ตามเห็นนะเป็นการบอกเรา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 รูปธรรมานามธรรมา ท, ทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปดับไปถ้านะต้องอย่างนั้นมันถึงจะค่อยๆจางคลายออกนะเกิดวิราคานะคลายออกสลัดคืนเกิดปฏินิสักนะดังนันต้องเห็นนะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามไปอย่านึกว่าดีอย่านึกว่าแน่อย่านึกว่าเก่งทำจิตว่างๆนะไม่ได้เรื่องหรอกนะคำสอนของหลวงปู่ดูลนึกซึ้ง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 ก็จะเห็นเลยจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วก็ดับจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดแล้วก็ดับการที่เห็นมันเกิดดับเห็นไหมมันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนงั้นลองไปอ่านหนังสือแก่นธรรมคาสอนของหลวงปู่ดูลนะใครที่ไปติดว่างๆนิ่งๆอะไรพวกเนี้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 นั่นต้องดูความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมเห็นจิตนั้นเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอไหวไหม <c oughs> ยังไม่หมดนะหลวงปู่ดุลยสอนโยกอกวนั้นอีกเจนทั้งเราภาวนานะเข้าถึงจิตถึงใจที่แท้จริงแล้วเนี่ยโดยภูมิธรรมมันก็จะมีภูมิธรรมอยู่ระดับหนึ่งที่ไปรักษาจิตเอาไว้